ความเพลินเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เรื่องของความเพลินเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่พระตถาคตได้บอกสอนไว้มากเน้นย้าไว้มากและเป็นมรรควิธีที่ง่ายในการที่ทำจิตให้หลุดพ้นที่พระองค์ตรัสว่า เพราะความสิ้นไปแห่งนันทีคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคาคือความพอใจเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเปลินเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีเราเอาความเพลินนี้ไปจับกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปที่เห็นด้วยตากลิ่นที่ได้ยินด้วยกลิ่นที่ รับรู้ได้ด้วยจมูกเสียงที่รู้ได้ด้วยหูรสชาติที่รู้ได้ด้วยลิน้นในทุกๆอายตนะตาหูจมูกลิน้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปตพัทธมลลมเป็นสิ่งที่เราต้องมีสติสัมปชัญญะไม่เพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้น เพราะความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุ ป, ปทานและความทุกข์ทั้งหลายนั้นดับลงได้เพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินปุญณนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้นด้วยลิ้นก็ดีโผฏฐพะ ที่สัมผัสด้วยกายก็ดีและธรรมารมที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าภิกษุย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นซ้ายเมื่อพิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญมเมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นั่นทิย่อมบังเกิดขึ้นโลกกล่าวว่าเพราะความเพลินเป็นสมุทยัยจึงเกิดมี ทุกขะสมุทัยดังนี้แหละอาการเกิดแห่งความทุกข์โดยสังเขปมิขชาละรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใกรน่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร้เป็นที่ตั้งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นไยเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นมิคชาละเรากล่าวว่า ความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดแห่งนันทิดังนี้ในกรณีแห่งเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นโพธพะที่สัมผัสด้วยผิวกายและธรรมารมที่รู้แจ้งด้วยใจก็ได้ตรัสไว้โดยธรรมนองเดียวกันกับในกรณีแห่งรูป ที่เห็นด้วยตาความดับทุกมีเพราะความดับแห่งนันทิปุณนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้นด้วยลิ้นก็ดีโภภพธิภะ ที่สัมผัสด้วยกายก็ดีธรรมารงที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่พิกษุ ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นั่นที่ย่อมดับไปปุณณนะเรากล่าวว่าความดับไม่มีเหลือของทุกข์ มีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินดังนี้แหละลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยการละนันทิภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายและเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปทั้งหลาย ให้เห็นตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อกระทาในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เที่ยงในรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะ ย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตดุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ในกรณีแห่งเสียงกลิ่นรสโหดทัพพะและธรรมารมก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้